ก็ขอนมน้มต่อพระนาฏยการต่อให้ความเคารพอย่างพระกลมพระเป็นตานต่อให้ความเคารพอย่างพระเทลา น, นเลาแล้วก็เพื่อนจักรธรรมิกที่เคารพทุกๆกรูปก็จะเล่นปอนจะเลนในธรรมมาอย่างนวีธรรมบาโสบาจิกาแล้วก็ ที่มาร่วมกันทำวัดในชเช้านี้ทุกๆท่านเดี๋ยวเราปฏิัติรรมกันปฏวัติธรมกันขนาด น, นี้คือการรู้เรือรู้ว่ามีเสียงอยู่รก็รู้สึกตัวด้วยตัวกายด้วยนะจะรู้สึกยังไงก็เรื่องของท่านนะทำให้เป็น การฟังเสียงก็เป็นข้อมูลที่บุคคลอีกคนหนึ่งวัตถุชิ้นหนึ่งสแสดงออกจะรับประโยชน์ได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับเครื่องรับแล้วเครื่องส่งก็จะตั้งใจส่งก็จะว่าทุกคนที่นั่งอยู่นาที่นี้นการมารวมตัวในคราวครั้งนี้คือเราปรารถนา ความพ้นทุกข์กันนะตระหนาความไม่ทุกข์หรือว่าเรียกว่าความสุขก็ว่าได้แต่ว่าความสุขมันมีหลายขั้นหลายตอนหลายชั้นสุกหยาบสุขปราณีตหรือว่าสุขจากการที่เราได้เหมือนกัว่ารับรู้ข้อมูลต่างๆแต่ละขั้นแต่ละตอนแต่ละขั้นแต่ละตอนตอ ตั้งแต่วัตถุ ก, กรรมคุณที่สังคมก็ยืวอายุหรือว่าผู้ใหญ่ที่เรามองเห็นอยู่สร้างแบบสร้างต้นแบบทำให้เราเกิดความฝันว่าเป็นอย่างเขาแล้วจะมีความสุขเราก็เรียนรู้แล้วก็หิวห้อยหาแสวงหาขวนขกวายไปได้ซึ่งวัตถุนิยมบริโภคนิยมการกินเกียร จัดมีความรู้สึกว่าอืมต่อไหลก็ไม่พอเพราะว่ามันเบี่ยงไหลจับเราตัวเองมันก็ยากนิดหนึ่งทีนี้เราก็ ม, มาฝึกกั น, นทํำยังไงถึงจะลดละเลิกนะนะประเสริฐจึงติดประติดจึงอยากก็อยากจึงเสบแต่ถ้าเป็นวัตถุที่ได้มาด้วยความขยันอันนี้ไม่แปลกน ะ, น, ะนะที่ได้มาโดยศีลโดยทำโดยชอบ อันนี้ก็ควรนะตามการรองรองทำกติเรามีหน้าที่การงานกันทุกวันเนี้ยนะแล้วก็ขยันเต็มที่ทํางานเต็มที่รวยช่างมันนะต่อมาก็คือลักษณะของความสุขที่มันเกิดจากการที่เราต้องโลกกว้างในะ ว, ว่ามันมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะสมมติบันยัดเต็มโลกเลย เสร็ะ ล, ะล้วเราเรียนรู้ท่องโลกกวา้างบางทีอาจจะเรียกว่าทัศนาจรหรือเรียกว่าการเรียนรู้วิชาการทางโลกซึ่งมีศาสตร์ต่างๆมากมายแล้วเกิดเราก็จะเหมือนกับว่ามีความรู้สึกอยุดเหนือผู้อื่นเวลาคุยกันฟังเ ข, า ร, เรงเขารู้เรื่องเขารู้เรื่องของเราเรารู้เรื่องเขาหรือว่า เรารู้เรื่องของเขาแต่เขาไม่รู้เรื่องของเราเราจะรู้สึกอืมเหมือนเขาได้กว่าก็าจะเกิดมาหน้าทิฏฐิได้เปรียบเทียบได้แล้วก็ยกตอนขม่มท่านโออวดต่อมาก็คือความสุขนะที่เราก็อยู่กส็สมมติบัญญัติมามากอยู่กับโลกใบนี้มีดีมีชัว่วมีถูกมีผิดมีเหตุมีผลแล้วก็ท้ายสุดก็คือเราก็งงตัวเองนะ ไอ้ผิดก็เป็นถูกไอ้ถูกก็เป็นผิดแล้วเราก็เป็นผู้แพ้ผู้ชนะจนเบื่อโลกนะตกเถียงกันไม่จบไม่สิ้นอย่างนี้ยจนบางทีเราก็วุ่นวายสับสนก็อยากอยู่เงียบเียบคนเดียวตรงนี้แหละทําให้เกิดการกดข่มแล้วก็ฝึกสมถะกรรมฐานแล้วเกิดสมาธิกันขึ้นไหมเป็นสมาธิที่กดข่มใจเอาไว้นะบางทีก็แสดงออกแบบตรงกันข้ามเช่น ตาอิจาลิสยามากๆแล้วก็มีการให้ขึ้นมานะมีการแสดงเมตตาจิตออกมาหรือว่าบางทีเราเป็นคนที่นะมีความโกรธรุนแรงแล้วก็ให้อภัยหรือว่านะต่างๆอีกมากมายที่มันแสดงออกถึงสองขั้วเป็นความแตกต่างที่สมดุลแต่บางคนเอาความแตกต่างมาทะเลาะมาขัดแย้งกันนะก็เรียกว่าบางที ยิ่งฝึกสมรตกรรมฐานหรือว่ามีสมาธิมากๆแต่ว่าขาดสติการรลือรู้ที่ถูกต้องเป็นสมาสติมันก็กลายเป็นเรื่องของยิ่งสร้างอัตตาตัวตนทำให้เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นอย่างมากมายแล้วก็หลงทิดหลงตางไม่เกิดปัญญาพาพ้นทุกข์งนี้ต่อมาก็คือความสุขที่เราเห็นว่า การเอาถูกเอาผิดเอาเหตเราผลหรือว่ามีภาษาต่างๆมากมายท้ายสุดก็คือมันยังไม่ได้คาตอบเราก็เลยเรียกว่าเกิดการปล่อยวางซะเลยดีช่วยก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเราหรือว่ามันมีอะไรต่างๆมากมายที่ทําให้เราเกิดทุกข์เกิดสุขเราก็เออเห็นแล้วเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาธรรมดามันเป็นก็มันเช่นนั้นเองอันนี้เราว่าสุขในนิพพาน ตรงนี้เรามันเกิดจากวิปัสนาญาณมันไม่ใช่ความสุขแบบเหมือนกับว่าที่ผ่านมาทั้งหมดมันเป็นความสุขจากการเห็นโลกตามความเป็นจริงแล้วเราก็เกี่ยวข้องถูกต้องต่อไปนะตรงนี้เราจงเกิดกระบวนการสติปัฏฐานสี่ขึ้นเยเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นขันห้าตามความเป็นจริงเมื่อกี้ที่เราสวดกันแนละ้ปาลาหะเวมัญชาขันธาขันทัน้งห้าเป็นของหนักเนอ้อนะ เรามีกายมีใจมีรูปธรรมมีนามธรรมขันธ์ห้ามันเป็นของหนักถ้ายึดไปมากๆว่ากลายเป็นเรื่องที่มาสร้างภาพสร้างตัวสร้างตนขึ้นมาตัวกูกูเก่งกูไม่เก่งเป็นเราเป็นเขาเป็นอะไรสัจจาลาสิ่งต่างๆมากมายเราไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเราไม่เห็นด้วยตาในตาใจของเราคือตาสติตาปัญญาตัวนี้แหละจึงเกิดรูปแบบการปฏิบัติขึ้นมามากมาย เป็นแงการฝึกหาสติปัฏฐานสี่ให้มันคล่องไปในกายในใจของเราคลองไปในรูปธรรมในนมามธรรมเป็นไใบทิพติพานรู้รอบกองสังขารนะเราก็เริ่มต้นกันด้วยการนั่งเดินยืนนอนเคลื่อนไหวรู้สึกตัวนี่แหละเลยมีป้ายว่าฉันมาทําอะไรเพื่อสกิดใจกันว่าเรามาทําอะไรกันทีนีน้ฉันมาทําอะไรฉันก็มาฝึกสติเลมารู้สึกตัวะ รู้สึกตัวแบบไหนก็แบบที่มีอยู่ในโลกเนียวที่นี่วัดป่าสุขตอนำเสนอแบบแนวเคลื่อนไหว14จังหวัดนะตามแนวครูบาอาจารย์เรียนตามพ่อ่อตามครนะูที่นี่มีหลวงพ่อเขียนนะที่ตั้นพยายามชี้องสภาวะผู้ดูดูและเห็นนะดูอะไรก็ดูสรรพสัตว์สรรพสิ่งนั่นแหล ะ, นะนะ ว, ะลวัตถุรูปธรรมนามธรรมอาการต่างๆนั่นแหละในวันะนะวรูปนากันหน้านะ ดูไล่เห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นอะไรกับอะไรกับอะไรท่านบอกเป็นที่สุดของการปฏนบัติทีเดียวเป็นที่สุดของการแสวงหาหยุดตันทีหยุดสแสวงหารูปแบบปฏิบัติหยุดสแสวงหาสถานที่ปฏิบัติหยุดสแสวงหาครูบาอาจารย์ในการปฏิบัติเพราะนี่ล้วมันเป็นเรื่องของที่สุดและของการมีชีวิตลรามาพบมาเจอเรื่องการฝึกสติซึงองค์สมเด็จสัมมาเจ้าได้ชี้นํำมาไว้แล้วก็ หลวงพ่อครูบาอาจารย์ต่างๆนันก็ได้นะปฏิบัติตามนะนเพรา ะ, ะรูปแบบสี่ชั้นวะเนี่ยใน ว, วัดไทยพิธีก็พูดแบบไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นักนะคำว่าไม่ค่อยชัดเจนก็หมายถึงว่าหนึ่งไม่พลิกมือขวาตั้งสองให้ยกมือขึ้นมามันไม่มีมันมีแต่ว่าการคู่เหยียดเคลื่อนไหวอวัยวะเราก็จะประเด็นออกการคู่การเหยียดเคลื่อนไหวอวัยวะคือ กายาโนปัสนาใจประธานคือการเห็นกายในกายไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาการตามรู้กายเที่อาการมันกำลังปรากฏขึ้นมาระหว่างรูปธรรมกับ น, นามธรรมระหว่างดุลก่อนธาสีหรือว่าความรู้สึกตัวที่เป็นนามธรรมเป็นกายกับใจนี่แหละที่มันอยู่ด้วยกันกายทําอะไรใจทําด้วยกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นเพื่อให้ออกมาจากความคิดการปรองการแต่งก่อน มันจะได้ไม่ต้องคิดรู้ธรรมะเป็นการสัมผัสธรรมะถ้าเราสัมผัสนะมันก็กลายเป็นรู้ด้วยการสัมผัสทางตาหูจมูกกายใจเป็นการสัมผัสธรรมแต่ถ้าเป็นการคิดรู้ตรงนี้มันเวลาเจอโจทย์เจอก็สอบล้มไม่ผ่านเพราะว่าความคิดมันคือความทุกข์นะถ้าหลงเข้าไปไม่รู้เท่ารู้ทันมันคือความทุกข์ทุกอย่างคิดดีขนาดไหนมันเป็นทุกข์อยู่ดีเพราะฉะนั้นการออกมาจากความคิดเบื้องต้นเ สัมผัสรู้ความรู้สึกตัวนะตัวนีน้ขนาดหนึ่งวินาทีหนึ่งปัจจุบันขณะอออมาครั้งหนึ่งขนาดจิตนั่นก็บริสุทธิ์พุทธพองทันทนะีเกิดความผ่องใสนะเบิกบานใจทันทีเราก็ได้ฝึกหัดปฏิบัติกันเราก็ได้เห็นว่าเออมันเป็นผลแล้วก็เพิ่งได้จริงๆอย่างเมื่อวานเนี่ยนะก็ทาบัดเช้าด้วยกันอยู่แล้วก็หายไปเลยนะตั้งแต่ หกโมงเช้าจะต้องกลับมาทีสามทุ่มก็ไปกรุงเทพมาก็มีคนคนหนึง่งป่วยเป็นแม่ของลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยแหละเขาก็จะเริ่มต้นแค่ทานก่อนเริ่มต้นทำทานจะแล้วก็นิมนต์ไปรับทานเพราะว่าคนเวลามันทุกเวลามันป่วยเวลามันใกล้ตายเนี่ยมันนึกถึง ลองลอยอยากทําบุญทําทานใส่บาตพระสองอะไรบนะ้างเราก็ใครควรให้มันควรไม่ควรมันควรไม่ควรใครควรดีแล้วอะทันทีทนันใดก็พาขับรถไปทําเวลาให้ทันภายในประมาณสักยี่บสี่ชั่วโมงให้กลับมาที่นี่ไนดะ้ก็ใจเวลาไม่กี่นาทีกับการได้ให้โยมเห็นผ้าเหลืองหรือ ว, ว่าทําบุญทําทานเป็นลองเป็นรอย เแล้วก็เห็นสภาวะของคนอายุ 7-80 ปนะีก็เริ่มต้นแค่เพียงแค่ว่านะพนมมือแล้วก็เห็นว่าพระมาแล้วนะไอพรก็ถือว่าเป็นความสุขแนะแต่ว่าถามว่ามาก่อนเคยทำบุญตักบาทไหมนะถามลูกถามหลานบอกไม่เลยนะมัวต่หาเงินหาทองนะแล้วก็ถึง 70-80 ก็ไม่ปล่อยวางนะ อันนั้นก็ของกู น, นี่ก็ของกูนะลูกหลานก็ยังไม่ยอมแบ่งมรดกให้กันนะท้ายสุดพอเวลามีปัญหากันมา น, นึกถึงลูกหลานอยากให้ดูแลลูกหลานก็รังเกียจลูกหลานก็ไม่อยากเข้าใกล้นะพอเป็นคนแก่ปากร้ายคนแก่ไม่สะอาดไม่รักษาศีลไม่รักษาธรรมนะพอพูดถึงเรื่องมาปฏิบัติธรรมมาทำบุญทำทานที่วัดไม่เลย แล้วก็บางทีก็บอกว่าให้บริจาค ก, ก็ไม่เลยนะบริจาคก็ไม่ทําจตพอเวลาป่วยหนักนะเวลารู้ว่าตัวเองจะต้องถึงเวาลาสุดท้ายก็นึกถึงพระเหลืองอันนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นสายเกินไปนะขอเราโชคดีที่ว่าอายุขนาดนี้เรามาเข้าถึงตัวภาวนากันแล้วการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวนะทําให้เกิดความฉลาดรู้จักบุญรู้จักบาสรู้จักสวรรค์รู้จักนรกรู้จักมรรคผลนิพพานนะ มันก็จะเห็นทุกจากการปฏิบัตินี่แหละนะเวลาเราฝึกเจริญสติเราก็จะเห็นเลยนะความทุกแสดงออกเช่นนั่งนานๆก็เจ็บก็ปวดก็เมื่อยบนาะงที่กังวลเหงาเหงานอนลังเลสงสัยฟุง้งซ่านมันจะแสดงออกมาคือสภาวะทุกนั่นเองเราได้เห็นว่ามันมีความคิดต่างๆมาเกี่ยวข้องนะเวลามันแสดงออกมาแต่ละขณะเราก็ไม่รู้สึกตัวนั่นแหละอารมณ์จะขวางหน้าขวางตาดักหน้าดักหลังอันนั้นเป็นบทเรียนของผู้ที่เดินทางจิต ไปสู่ความผ่องใสแห่งใจในภายในมันจะเป็นลักษณของสิ่งที่มาทำให้จิตมันเกิดกำลังทั้งหมดเลยความง่วงมาให้จิตเกิดกำลังความเจ็บความปวดความเมื่อยมาให้จิตเกิดกาลังไม่ให้พัดหลงไปในความหลงไม่ให้ทุกข์ลงไปในความทุกข์มันพาให้เราออกมาเป็นปกติเรียกว่าคืนสู่ธรรมชาติเดิมๆแท้ๆของจิตของใจเรา ธรรมชาติเดิมแท้ก็หมายถึงว่าจิตเป็นผัสสะสอนฟองใสธรรมดาธรรมดาเป็นปกตินี่แหละขณะนี้เราปกติหรือไม่เราก็สํารวจทันทีกายเรานั่งปกติหรือไม่ใาจของเราปกติหรือไม่อนี่เขาเรียกว่าศีลอยู่แล้วจิตของเราตั้งมั่นอยู่หรือไม่า ก, การฟังห ร, รือว่าตั้งมั่นอยู่หรือไม่กับความรู้สึกตัวนี้หมายถึงสมาธิอยู่แล้วหรือว่ามันสามารถที่จะกลับมาได้ไหมสู่โลงความเป็นจริงในปัจจุบันเช้เนี้ นั่งอยู่ร่วงนั่งอยู่ฟังอยู่ร่วฟังอยู่เนี่ยรู้สึกตัวร่วรู้สึกตัวอยู่หลงไปกลับมาหลงไปกลับมาเปลือไปกลับมามันก็เป็นตัวปัญญาทันทีขณะนี้ขณะนี้นะมันก็รวมทั้งหมดอแล้วในคําสอนของโอโซมิจามาเจ้าในวุฒิฐาก็บาดนะมันก็เป็นความรู้สึกเมื่อรู้สึกตัวในละขณะนี้ขณะนี้ขณะนี้เรนะาก็สามารถใช้ได้จริงๆเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เป็นหน้าที่อย่างขณะนี้หน้าที่ของเราคือะ เป็นผู้ที่ว่าประพฤติวัดปฏิบัติธรรมหรือว่าผู้ที่อยู่ในกรรมฐานก็ว่าได้นะกรรมฐานก็ไก่หานัการมอม้ามอม้าหานัการแล้วก็ต่อปัดตักแล้วก็ถอสันธารสละอนหนูกรรมมัดฐานก็หมายถึงว่ากรรมการก ร, รนนะทำหรือว่ากรรมที่พาให้เราไปอยู่เนือทุกเหนือสุข ก, ก็คือการเดินทาง สู่มรรคสู่ผลและวก็นิพพานเป็นมรรคเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลอยู่ที่กรรมฐานนี่แหละเป็นการเดินทางทางจิตทางใจของเราร่างกายของเราเดินทางหนึ่งอย่างเช่นเมื่อวานมาเดินทางผมแล้ธรรมมาเดินทางจากวัดป่าสุขโตไปกรุงเทพนี่ก็ใช้ความเร็วสูงเมื่อวานนี้ประมาณร้อยแปสิบสี่ทำเวลามันเป็นวันอาทิตย์โดยและไม่มีตํารวจนะโยม ถนนมันก็โล่งๆเรใช้ความเร็วสูงแต่ก็สังเกตดูว่าขณะที่มันใช้ความเร็วสูงสูงในการเดินทางลัดลัดสั้นๆเป็นยังไงอุปสรรคมันอยู่ตรงไหนนะเพราะว่าวิธีการปฏิบัติแบบแนวหลวเทีออยงเรียกว่าสูตรสําเร็จลัดสั้นอุดใจเดียวสู่การรู้แจ้งมันเป็นการเดินทางลัดลัดสู่มรรคสู่ผลนิพพานเลยนะก็คือความเป็นปกติแหละมันคือสภาวะประตูของนิพพานเบื้องต้น เป็ น, นของความไม่ทุกเล็กเล็กที่เราจะต้องสะสมขณะต่อขณะนะเพราะฉะนั้นญาณวิปัสนาญาณเนี่ยการเดินทางทางจิตเราจะต้องเป็นวิปัสนาญาณที่มันใช้ได้จริงๆรงิมันเป็นญาณเล็กก็มีปัญญาณใหญ่ก็มีญาณเล็กๆล็กก็หมายถึงความรู้สึกเตื่อแต่ละขณะนะเมื่อสะสมเป็นญาณใหญ่ก็หมายถึงว่าจิตใจมีความเป็นกลางมีความสมดุลไม่เอียงซ้ายมีเอียงขวาแลก็พุ่งตรงจริงๆก็คือมหาสติปฐานสุด ทิ้นว่องไวเป็นไบวนะิปปิบาลพุ่งตรงจริงๆสู่ปัจจุบันันณะสู่ฐานกายฐานเวนาฐานจิตทันธรรมตรงจริงๆแล้วก็เร็วเต็มรอบก็นะมันตรงเนี้ยมันก็จะถึงจุดหมายของความไม่ทุกทันทีทันทีตรงเนี้ยเราจะหายหสงสัยนะวิจิกิจฉาเรื่องความที่มันสงสัยอยู่นะมันเปนลักษณะของนิวรธรรมก็คือด่านการจิตรนะ์ไม่ให้บรรลุ ถ, ถึงรุ่นงามความดีเนะรื่องความว่องเหงาเหานอนทีน้นธรรมิตาอะไรแบบนี้น ไม่เป็นแล้วนะของด่านกั้นจิตไม่ให้บรรลุถึงพลังงานความดีแล้วทําดีได้ยากก็ทําชั่วได้ง่ายมันจะหลุนหลงไปลักษณะของลักษณะของอกุศลเพราะสติมันอ่อนนี่ยนะเพราะฉะนั้ น, นะ น, นทุกครั้งที่เราฝึกอดประโยชตั้งแต่เบื้องต้นเราก็ต้องมีเทคนิคสักนิดหนึ่งพอมีความง่วงเกิดขึ้นมามีอุปสรรคเกิดขึ้นมาเราก็เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ทันทีใช้เทคนิคปฏิบัติปรับเปลี่ยนผ่อนคลายแก้ไขหรือว่าบรรเทาหรือว่าละมัน วิธีละมันก็คือดูที่เหตุแก้ที่เหตุเลยถ้าเรานั่งนานเราก็ยืนเดินบ้างก็ได้เปลี่ยนยีบทให้พอดีให้เป็นลักษณะของสุ ข, ขาวิปัสสโกนั่งเดินยืนนอนแต่พอดีปฏิบัติได้ง่ายแล้วก็ให้ผลอันเลิศด้วยมีความสุขขณะปฏิบัติไปความสุขก็คือมันเห็นทุกข์นั่นแหละมันตื่นทุกข์นั่นแหละพอเราเห็นลําแก้ได้ผ่านได้มันก็จะมีความสุขเกิดขึ้นมา เป็นปีติเป็นความสงบเบากายเบาใจวนนอันนี้มันเป็นฝ่ายที่ชวนให้ทำให้เกิดความขยันเราก็สังเกตเราเองตัวใครตัวเราตรงนั้นนะให้ทําให้มากเปลี่ยนให้มากขยันให้มากเราก็เห็นร่องรอยนพอจิตผ่านได้ทุกครั้งก็ ม, มีความสงอ ม, มันตื่นรู้ดีปกติจะตื่นตหนกตกใจตื่นทุกอย่างเมื่อวานไดลงข้างถนนกันหลายคันก็คือรถเนีมันเป็นลักษณะของ ถนนที่มันลื่นแล้วก็คนขับออามาสังเกตดูนะประมาณสักห้าที่ที่มีลักษณะของอุบัติเหตุเกิดขึ้นไปอันนี้ก็แสดงให้เห็นนึงว่ารถ ด, ดีบางทีก็รถใหม่ๆรุ่นใหม่นแต่ว่าคนขับไม่ชำนาญไม่ดีมันก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่บางคนรถก็ไม่ดีแต่ก็ถึงจุดหมายปลายทาง เพราะนั้นไม่มีถูกไม่มีผิดเวลาปฏิบัติธรรมมีประสบการณ์ทั้งหมดเราก็พลาดพังไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทันทีการมาตรฐานเวลาตั้งมาตรฐานก็เริ่มต้นใหม่ทุกครั้งเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งปรับเปลี่ยนผ่อนคายบันเทาแก้ไขแล้วยามสังเกตดูนะถ้าเพื่อนคนไหนจิตตื่นเตือนนะเข้าใกล้ถ้าเพื่อนคนไหนจิตแบบเหมือนกับว่ามัวมัวงอกว่ว ง, อ, งอย่าไปเข้าใกล้ใหม่ๆนะผมจะชวนกันใกล้ๆกัน ไปสูนะ่มันก็ผลทางทางเสื่อมได้นะแต่เราเราเจอกายามิต ท, ที่เขาตื่นตื่นตัวนะเราก็เห็นว่าเออเราก็ตื่นตามอย่างนี้นนะเพราะนั้นบรรยากาศช่วงต้นเนี่ยใสพลังดีๆพลังกลุ่มพยาพลังของกลยามิตรพยายามให้นะมันก็ว่ามีการปฏิบัติให้มากๆโนดะยเพราะการเดินจงกรมเนี่ยมันเป็นวิธีการปฏิบัติเจรินะจสติได้ดีมาก ปกสมสบัติสามารถเจ้าก็าสรารเสริญนะสรรเสริญว่าการเดินจงกรมนี้ทำความเพียนได้ทนแล้วก็อาภาษน้อยอาหารย่อยง่ยแล้วก็เดินทางไกลได้นานพวกนี้ที่สำันก็คือสมาธิที่มันเกิดขึ้นนะมันเสื่อมได้ยากที่สุดการเดินจงกรมการยกมือสร้างจังหวะมันก็เหมือนกับการเดินจงกรมเหมือนกันก็คือการเคลื่อนไหวอวัย ว, ว ะ, ะเดินจงกรมก็คือเท้าเคลื่อนไหวใช่ไหมล่ะ การ น, นี้การยกมือสร้างชัว่วคือมือมันเคลื่อนไหวก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเราอะนะท้องพองยุบหรือ ว, ว่าหายใจนี่ก็ใจเหมือนกันนะกระพริบตาหรือว่าเอียงซ้ายเอียงขวาขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวอะไรก็ตามมันก็เป็นลนักษณะของการเคลื่อนไหวไกายทั้งหมดมันทําให้เกิดการตื่นตัวได้ไง่ายเดียว่าเราเจตนาสร้างขึ้นมาปฏิบัติให ม, ม่ต้องใส่เจตนานิดหนึ่งนะเจตนานั้นทำให้เกิด ผลของกรรมฐานที่ดีในเบื้องต้นนะพอมันทําไปปรับสมดุลดีๆมันไม่ต้องเจตนาตัวนี้จะเริ่มเป็นแล้วนะของความเคยชินแล้วก็อัตโนมัติที่จะรู้สึกตัวแล้วรู้ถูกด้วยนะมันรู้มันรู้ถูกเราจะเห็นว่าจิตมันตื่นเลยทันทีมันรู้ถูกอะไรมันก็ตื่นมาได้นทันทีมันง่ายๆเลยแหละไม่ใช่ยุ่งยากอะไรเลยเพียงว่าเมื่อไหร่มันปรับความสมดุลและความเป็นกลางเป็นปกติให้เราได้สัมผัสก่อน บางครั้งจะนั่จะผ่านตัวของกิเลสกรรมต่างๆร า, า, าคาปฏิฆาต่างๆหรือว่าความละเอียดของอารมณ์ยิงๆขึ้นไปความคิดหยาบๆมันก็จะละเอียดลงไปะเอียดลงไปหยาบๆก็หมายถึงว่าความคิดโลภคิดโกรธพวกนี้มันหยาบเห็นได้ง่ายๆไม่ยากโดยเพราะตัวโกรธมาเร็วไปเร็วมาเร็วมากนะแล้วก็ไปเร็วมากบางทีหมดหมนี้เราก็ไม่ทันมัน อย่างที่นี้จะมีเด็กๆมาเยอะนะเด็กๆนะนะบางทีมาวิ่งเล่นโคงคามันนะปลุกเสียงดังส่งเสียงดังที่นี่ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเด็กๆนะแต่ถ้าเราไม่ทันมันจะงดเงีดแล้วแป๊บเดียวกั น, นความโกรธโมโหโถโซอะไรในวาดจะต้องทันนะยกตัวอย่างเช่นนะเมื่อสองสาวันก่อนนะลงเครื่องมาลงที่กระขอนแก่นนะไปที่ภูกเก็ตนะพังงานะแล้วก็ กลับมามีโยมก็ไปรับยากคนหนึ่งเป็นนักยศธรรมเขาก็ขับรถไปรับเขาก็ได้เลาให้ฟังว่าเขากลับมาจากประเทศสิงคโปรนะ์กับสามีของเขาเสร็จแล้วก็ขับรถ For ์จินเมาจากกรุงเทพนะพอขับรถเข้ามาจังหวัดชายภูมิปรากฏว่าระหว่างทางมาีรถบัสคันหนึงมันขับปาดหน้าปาดหลังกันนะ่ะเขาก็ เอ้ใจมันเกิดอะไรขึ้นรถบัสคันใหญ่ทำไมพฤติกรรมการขับรถเกเรนะมีการปาดหน้าแล้วก็เปิดประตูมาด่าด้วยนะเขาก็มีความรู้สึกนะโดยว่าสามีนะเเป็นระดับถึงอาจารย์ระดับสูงนะสอนอยู่โรงเรียนดังเป็นผู้บริหารชั้นสูงมาว่าชั้นมาว่าเขาได้ยังไงนิ่แตพกปืนมานะได้เจอกันแล้วอย่างเงี้ยนะเขาก็ขับรถ คล้ายๆก็คงจะปาดหน้าปาดหลังมาตลอดทางนั่นทนะ้ายสุดภรรยาก็เตือนสามีบอกว่าคุณๆหยุดเถอะให้เข้าไปก่อนให้เข้าไปก่อนเถอะสามีก็ฟังภรรยาแล้วก็จอดรถทีนี้พอจอดรถเสร็จปรากฏรถบันกำลังมาจอดข้างหน้าอยู่เหมือนกันแล้วไม่จอดเปล่าด้วยนะใส่เกียร์ถอยแล้วขับถอยชนนะภรรยาก็บอกสามีก็บอกว่า ให้หลบออกไปแล้วก็ขับรถนะแล้วก็ขับมาให้เร็วที่สุด <c oughs> ให้มีสติการขับรถมาให้เร็วที่สุดสามีเขาบอกไปกลัวก็ทําไมนะจะสู้กับเขานะพันยาบอกให้ไปให้ไปนะอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องกลัวไม่กลั ว, กลวเกี่ยวกับเอาตัวรอดก่อนก็ขับแซงเปิดขึ้นมาเลยขณะที่รถกําลังถอยรถบัดกันเนี่ยจะร่าแซงขึ้นมาได้นะเจอด่านตํารวจเขาก็ไม่บอกตํารวจนะเขาบอกไม่เป็นไรหรอกอาภัยให้เขาเถอนะ เพราะว่าเขาทำของเขาแต่เราเอาตัวรอดกันดีกว่าเสร็จแล้วก็วิ่งมาจนถึงบ้านยังปลอดภัยนขับประมาณร้อยหกสิบอะไรฟังตั้งสติให้สติกันมาแล้วก็ขับรถมาจนถึงสามีนี่ไม่ก็ ย, ยอมแต่ปัญญาบอกให้ยอมเถอะยอมเถอะยัางก็ปลอดภัยขับรถมถึงบ้านเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนป้ปายทะเบเียนด้วยนะป้ายทะเบียนรถนะก็เปลี่ยนป้ายทะเบียนรถใหม่เลยอันเดิมก็ไม่ต้องเอาแล้วแล้วบอกว่าให้เลิกลา บอกสามีเนี่ยภรรยาปฏิบัติธรรมดีดีนะให้อภัยคนมีเมตตาแล้วก็รู้จักเอาตัวรอดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้ไม่ใช่อ่อนแอนะอันนี้มันคืออ่อนโยนแล้วก็มีเมตามมตาเมตตาจิตไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ลำต้องเกิดขึ้นมานมันแก้ปัญหาได้เวลาคลับกันนะอันนี้เรื่องหยาบๆเลยในที่สำคันที่สุดคือเรื่องกลางเรื่องละเอียดมันมีอยู่ปฏิบัติธรรมเนี่เราก็จะเห็นอารมณ์ไปเรื่อยๆะจะถ้ามันก็ว่าเราก็มั่นใจแล้วก็หายสงสัย ในการแบบธรรมของเราก็คือมันจะสบายเนื้อสบายตัวสบายอกสบายใจที่มันเคยหนักๆอื่นๆมันมีปัญหามันคิดไม่ออกมันบอกไม่ถูกในการใช้ชีวิตทารงชีวิตผ่านมาจากทั้งถึงวันเนี้พอเรารู้สึกตัวบ่อยๆมันจะได้คําตอบอันนี้ไม่ต้องให้ใครตอบเลยฟังเทศฟังธรรมดีกระดับไหนมันก็ตอบคําถามในใจเราได้ก็ยังไม่ใช่หรอกกูต้องอยู่คนเดียวแล้วก็ป่าปฏิบัติธรรมแล้วก็ผ่านอารมณ์ปฏิบัติได้ได ทุกครั้งที่มีอารมณ์เกิดขึ้นมาภายในจิตใจไม่ว่าอารมณ์อะไรก็ตาม mm hmm. นะตั้งแต่เราอยู่กับโลกนะมันมีโลกธาตุสรรสเทือนต่างๆมรรีรู้การต่างๆหรือว่าอยู่กับโลกที่มีนินทาสรรเสริญมีลาบเสื่อมลาบมียศสื่มยศมีสุขมีทุกข์ต่างๆเหล่าเนี่ยมันจะได้คําตอบที่ความรู้สึกตัวเมื่อกลับมาเมื่ อ, อไหรแ่แล้วก็เป็นปกติเมื่ อ, อไหร่ด้วนั่นคือคําตอบในตัวเราตรงนีนะ้จะอยู่ตรงไหนก็อยู่ไปจะทําทอะไรก็ทําไปรับผิดชอบตัวเองไปนะ ในโลกมีถูกมีผิดมีเนื้อถูกเนื้อผิดเพราะฉะนั้นสมดุลที่แท้จริงของโลกใบนี้ก็คือการเห็นโลกตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรท้ายสุดก็คือแล้วนะการปล่อยวางนั่นเองมันจะวางทันทีที่เรารู้สึกกับกายกับเวนากับจิตกับธรรมกับอารมณ์ทั้งภายในภายนอกภายนอกกับตากระทบรูปนี่แหละภายในก็คือเวลามี อารมณ์เกิดก็มาความวง่วงเนี่ยแหละเราเกี่ยวข้องด้วยความเป็นกลางก็คือคืนสู่สภาวะหลุดพ้นเรียกว่าวิมุติออกมาจากความมันไม่ปกตินะหรือว่าความไม่ปกติทำทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นมาะอาสวะทำทั้งหลายทั้งปวงเราเปลี่ยนลักษณะของสมีก็ ค, ค, คือความปฏิบัติไม่สมควรก็เรียกสมีนะอย่างสมีคำสมีคำสมีค ำ, คำที่เขาเรียกกันพาดหัวข่าว คือปฏิบัติในสิ่งที่ไม่สมควรอเงี้ยเราก็เปลี่ยนเป็นสามีซะสามีกิจพวกนี้อย่างทำวัดทำวาพวกนี้สามีกิจทั้งหมดนะปฏิบัติสมควรนะสมควรแล้วนี่นะแล้วเปลี่ยนจังจากการไม่ไหว้ตัวเองไม่เคารพตัวเองจนขั้นด่าตัวเองทะเลาะกับตัวเองหรว่าฆ่าตัวตายพวกนีน้ก็คือลักษณะของอารัชีนี่ เราไม่ไหวคนอื่นอารัชชีเราก็เปลี่ยนมาไหวตัวเราเองซะอัญชลีเมื่อเราเห็นเหลี่ยมดีในตัวเองไปเดือดทมีความรู้สึกตัวตัวนี้เราสามารถไหว้ตัวเองได้ไม่ต้องไปไหวคนอื่นเราสามารถไหว้ภายในของเราเองได้นะก็มันหมายถึงว่าเราก็สามารถพาตัวเองไปสู่ความไม่ทุกข์ได้เมื่อเราไม่ทุกข์แล้วเราไม่ไหวตัวเองไม่ไหวพระในตัวเราเลยไหวใครได้ไหวคนอื่นก็หลอกลวงทั้งนั้นนะเสแสงแกล้งทำ มันญาสาไทยก็เป็นกิเลสอุปกิเลสพวกนี้นะเพราะนั้นเราจะได้เห็นเลยว่าอ๋อความเป็นปกติธรรมทำให้สแสดงออกทางกายวาจาใจพฤติกรรมต่างๆจะรู้จักรู้หลบเป็นปีกรู้หลีอเป็นหางเกี่ยวข้องกับโลกใบนี้อย่างถูกต้องต่อไป นะเห็นด้วยไหมกับสิ่งที่พูดนะนะยังเป็นอย่างนี้อนะตอนนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลานะก็ขอให้แล้วนะของธรรมปฏิบัติของเราทั้งหลายนั้นหนะรือว่าการที่เรามาประพฤตนะิของเราทั้งหลายนั้นก็จะเป็นไปเพื่อนะการทําที่ส่วนหนึ่งกองทุกนะมีแต่ความสุขเสรมสารทุกที่พาลาติการเตอ